ได้สดับมาแล้วอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่หน้าป่าอิสิปตนะมรุกทายวันใกล้พระนครพรารณสีหน้าที่นั้นแลพระผู้มีพระภาคเจ้าตัดเรียกภิกษุปัญจวคีมาแล้วตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ที่สุดแห่งการกระทำสองอย่างเหล่านี้มีอยู่เป็นสิ่งที่บันประชิดไม่ควรข้องแวะเลยนี้คือการประกอบตนผัวพันอยู่ด้วยความใคร่ในกามทั้งหลายเป็นของต่ำสามเป็นของชาวบ้านเป็นของชนชั้นปุถุชนไม่ใช่ข้อปฏิบัติของพระอริยเจ้า นี่คือปรถมเทศนาครั้งแรกเริ่มต้นข้อสัดการมอสุการณีารยาโยกก่อนเลยการประกอบตนทวพันธ์อยู่ด้วยกามทั้งหลายอะไรคือการมทั้งหลายครับไอ้ที่เขาไปยึดติดตาหูจมูกลิ้นกายเนี่ยที่เขาไปติดติดติดติติเนี่ยของวัตถุวัตถุวัตถุวัตถุกรรมทั้งหลายเนี่ยนะท่านบอกว่าเป็นของอะไรบ้างนะเป็นของต่ําราม ไอ้ที่เราเสียเงินไปซื้อเนี่ยทํามาตั้ ง, ง, งหากว่าจะหาเงินมาได้เนี่ยเสียเงินไปซื้อที่ผมบอกว่าทํามาหากินเนี่ยเนี่ยที่ท่านพูดเนี่ยเป็นของต่ําสามเป็นของชาวบ้านท่านเป็นชาวบ้านวะจักไม่อยากเป็นะ่ะเป็นของชนชั้นปุถุชนอื <c ười> คํานี้เมื่อก่อนก็พูดเต็มปากเดี๋ยวนี้อออื <c ười> คืคํานี้ขอเลี่ยงเลยเนะี่ยขอผ่านเป็นของชนชั้นปุถุชนไม่ใช่ของชนชั้นพระอริยเจ้า พวกเธออยากเข้าไปค้องแวะแสดงว่าพวกเราค้องแวะได้หรือเปล่าฉั้นนี่คือเหตุที่ทําไมเราถึงต้องเน่ห์คมะบ้างนะครับลองดูขนาดท่านเริ่มต้นปฐมเทศนาครั้งแรกท่านเล่นเรื่องนี้ก่อนเลยภิกษุทั้งหลายเธอจึงหนีออกจากทางสุดตรงสายแรกนี้เลย ไม่งั้นเธอเสร็จอยู่ในโลกนี้แน่ครับไม่ประกอบด้วยประโยชน์เลยนี้อย่างหนึ่งอีกอย่างหนึ่งคือการประกอบการทรมานตนให้ลําบากเป็นสิ่งนํามาซึ่งทุกข์ไม่ใช่ข้อปฏิบัติของพระอริยะเจ้าไม่ประกอบด้วยประโยชน์เลยนั่งสมาธิครึ่งชั่วโมงไม่ถือเป็นการทรมานกายนะครับ ดูก่อนภิกสุทั้งหลายข้อปฏิบัติเป็นทางสายกลางไม่เข้าไปหาที่สุดแห่งการกระทำสองอย่างนั้นมีอยู่เป็นข้อปฏิบัติที่ถาคตได้ตรัสรู้พร้อมเฉพาะแล้วเป็นเครื่องกระทำให้เกิดจากสุเป็นเครื่องกระทำให้เกิดญาณเพื่อความสงบเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความรู้พร้อม เป็นไปพร้อมเพื่อนิพพานดูก่อนภิกษุทั้งหลายข้อปฏิบัติเป็นทางสายกลางนั้นเป็นอย่างไรเล่าข้อปฏิบัติเป็นทางสายกลางนั้นคือข้อปฏิบัติเป็นขนทางอันประเสริฐประกอบด้วยองค์8ปประการนี้เองได้แก่สิ่งเหล่านี้คือสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบ สัมมาสังกัปโปความดำริชอบสัมมาวาจาการพูดจาชอบสัมมากัมมันโตการทำการงานชอบสัมมาอาชีวโวการเลี้ยงชีวิตชอบสัมมาวายามโมความภาคเพียรชอบสัมมาสติความระลึกชอบสัมมาสมาธิความตั้งใจมั่นชอบ พอท่านพูดถึงทางสุดสุดตรงสองสายท่านพูดถึงทางสายกลางมัชชิมาปฏิปทาถูกไหมครับพอพูดถึงมัชชิมาปฏิปทาท่านก็บอกว่ามัชชิมาปฏิปทาเนี่ยคือทางแห่งพระนิพพานทางสุดตรงสองสายจะเป็นทางขวางพระนิพพานเอาตรงไปตรงมาเลยจิตใจผูวพันอยู่ด้วยกามเนี่ยไปพระนิพพานไม่ได้เพราะว่ามันฉาบเยิ้มอยู่ยังไงก็ไม่มีความตั้งมั่นขึ้นมาได้ส่วนการทรมานกายทรมานใจเนี่ยมันเกินจุดกลางไป เพราะฉะนั้นมันจะทาให้จิตใจเนี่ยไม่เข้าสู่ทางสายกลางแน่ๆหลังจากนั้นท่านบอกว่าทางสายกลางคืออะไรทางสายกลางคือทางสู่พระนิพพานพอพูดจบเมื่อกี้ท่านพูดอะไรครับอริยมรรคมีองค์แปดเลยนี่คือทางสู่พระนิพพานแล้วท่านยังไม่ได้พูดถึงอริยสัจเลยท่านยังไม่ได้พูดถึงอริยสัจ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 เพื่อความสงบเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความรู้พร้อมเป็นไปพร้อมเพื่อนิพพานดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็อริยสัจคือทุกนี้มีอยู่คือความเกิดก็เป็นทุกข์ท่านเพิ่งพูดถึงอริยสัจสีตรงนี้เองแต่ท่านพูดถึงมรรคไปแล้วว่าปฏิบัติตามมรรค จะเข้าถึงพระนิพพานแล้วก็มาอธิบายให้ฟังว่าพอเดินถึงพระนิพพานแล้วเนี่ยหรือว่าพอรู้แจ้งรู้แจ้งอะไรท่านก็มอธิบายให้ฟังว่าอริยสัจสี่คืออะไรความจริงอันประเสริฐสีประการคืออะไรก็ลองลองฟังดูอันเนี้ยทุกข์คืออะไรอะไรเงี้ยเราก็คงเคยได้ยินกันมาบ้างนะครับความแก่ก็เป็นทุกข์เราเห็นความเกิดเป็นทุกข์ไหมครับ ความเกิดเป็นธรรมดาความแก่ละ่ะความแก่ก็เป็นธรรมดาใครๆก็เป็นการความตายละ่ะความตายก็เป็นธรรมดาบ้านไหนก็ตายฟังก็ดูดีละ่ะฟังดูมีเหตุผลฟังดูจะเป็นสัมมาทิฏฐิ <c oughs> นะเพราะคนหกพันล้านคนพูดเหมือนกันหมดเนี่ยก็เลยต้องเป็นดูเหมือนจะมีเหตุผลแล้วจะไปคิดว่ามันเป็นทุกข์ทำไมมันทุกข์เปล่าเล่าเออว่ะเคว้เหมือนกันนะถ้าไม่มีสัมมาทิฏฐิ ท, ท, ที่โดนเข้าไปเออถึงไป จะไปทําให้มันเป็นทุกข์ทำไมก็ในเมื่อมันเป็นธรรมดาก็ดีแล้วเนี่ยมันจะได้ไม่เป็นทุกข์ไม่ทุกข์จะออกจากทุกข์ไหมเนี่ยผมถึงบอกโชคดีจริงๆแล้วที่พระสามามาสัมพุทธาไม่รู้สึกอย่างพวกเราไม่งั้นท่านไม่ออกแน่ๆเลยเนี่ยถ้าเห็นอะไ ร, ะไรๆก็เป็นธรรมดาอย่างที่เราเห็นเนี่ยแล้วจะไปทําไมเนี่ยวันเนี้ท่าไม่อะไรๆก็เป็นธรรมดาหมดเนี่ยมันถึงไม่มีใครดิ้นรนออกจากทุกข์กันเลยไงเพราะว่า อ้โหใครๆก็ตายล้วไม่จริงเอพระหลานตายเหรอเนี่ยตายดับขันไปนะไม่ตายเหรอพระเจ้าล่ะท่านก็ตายรินิพพานแต่ตั้งแต่ตายตนโพล่ะความตายก็เป็นทุกข์ศา ส, สนาพูดถึงมีคนน้อยมากความร่ำไรรำพันความไม่สบายกายความไม่สบายใจ ความคับแค้นใจก็เป็นทุกข์ความประสบกับสิ่งไม่เป็นที่รักที่พอใจก็เป็นทุกข์คือไม่น่าเชื่อว่าพระพุทธเจ้าต้องมานั่งบอกทีละตัวว่าอันนี้เป็นทุกข์นะเราไม่มีปัญญาจะรู้ว่าอะไรเป็นทุกข์ความพลัดพรากจากสิ่งเป็นที่รักที่พอใจก็เป็นทุกข์มีความปรารถนาสิ่งใด ไม่ได้สิ่งนั้นนั่นก็เป็นทุกข์ว่าโดยย่ออุปาทานขันทั้งห้าเป็นตัวทุกข์ดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็อริยสัจคือเหตุให้เกิดทุกนี้มีอยู่นี้คือตัณหาอันเป็นเครื่องทำให้มีการเกิดอีกอันประกอบอยู่ด้วยความกําหนัดด้วยอันนิดหนึ่งครับ เมื่อเช้าเราได้ฟังเฉลยนี่ก็ชัดเจนเลยนะอยู่ในธรรมจักเลยอะไรเป็นเครื่องพาเกิดครับเพิ่งอ่านผ่านไปเมื่อกี้นี้เลยนะที่พระเจ้าพูดให้ปัญจวคีร์ฟังเลยไม่ใช่อยู่ๆใครจะเอามาพูดกันเองนะด้วยอํานาจความเพลินเป็นเครื่องให้เพลินอย่างยิ่งในอารมณ์นั้นๆได้แก่ตัณหาเหล่านี้คือตัณหาในกาม ตันหาในความมีความเป็นกรรมอีกแล้วเห็นไหมครับเพราะเมื่อไหร่เนี่ยเราไม่กรรมสุคันเราอยู่ในฝัสุตงคือการมสุขานทีการุโยกมันจะเข้าไปยึดติดแล้วมันจะเกิดตันหาในการมล่ะแล้วตันหานี่ไงเป็นเครื่องพาเกิดเกิดเป็นอะไรเกิดเป็นเปรตเลยก็ตันหามันบีบคั้นขนาดนี้มันยังไม่เกิดเป็นอะไรล่ะก็เป็นมนุษย์บ้างเปรตบ้างก็วนเกิดล่ะเพราะพอจิตขยับปุ๊บมันสร้างกรรมเลย ตันหาในความไม่มีไม่เป็นกามตันหาเพราะว่าตันหาเพราะว่าตันหาก็คือสมมุติว่าใครมีตําแหน่งอยากจะเป็นผู้จัดการเนี่ยพอเป็นผู้จัดการก็อยากจะเป็นผู้อํานวยการอะไรเงี้ยทายังไงดีมันเล่าร้อนฉันก็จ่อจออยู่ว่าความจริงดูจากเหตุผลฉันก็น่าจะได้ไอต่อเ น, นี้ยมันเล่าร้อนแล้อยากเป็นอยากเป็นอยากได้สองขั้นอยาก แล้วใครจะเปลดว่าฉันผิดตรงไหนอะฉันทำงานฉันก็อยากได้เลิกคุยวิภาวะตัณหาดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็อริยสัจคือความดับไม่เหลือแห่งทุกนี้มีอยู่นี่คือความดับสนิทเพราะจางไปโดยไม่มีเหลือของตัณหานั้นนั่นเองเป็นความสละทิ้ง เป็นความสลัดคืนเป็นความปล่อยเป็นความทำไม่ให้มีที่อาศัยซึ่งตัหานั้นดูก่อนภิกษุทั้งหลายข้ออริยสัตว์คือข้อปฏิบัติที่ทำให้สัตว์ใหรู้ถึงความดับไม่เหลือแห่งทุกนี้มีอยู่นี้คือข้อปฏิบัติเป็นหนทางอันประเสริฐประกอบด้วยองค์8ประการ ได้แก่สิ่งเหล่านี้คือสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบสัมมาสังกัปโปความดํำริชอบสัมมาวาจาการพูดจาชอบสัมมากัมมันโตการทําการงานชอบเห็นไหมครับท่านกลับมาพูดถึงอริยสัจคือมรรคอีกครั้งหนึ่งชอบสมาวความจริงก็คือมรรคตัวเดียวกันนะแต่มรรคอยู่สองที่เลยที่ที่จะพาไปรู้อริยสัจนั่นก็มรรค แล้วตรงนี้ำทำไมท่านต้องพูดอีกล่ะาตั้งใจมั่นชอบดูก่อนภิกษุทั้งหลายจักสุเกิดขึ้นแล้วแก่เราญาณเกิดขึ้นแล้วแก่เราปัญญาเกิดขึ้นแล้วแก่เราวิ ช, ชาเกิดขึ้นแล้วแก่เราแสงสว่างเกิดขึ้นแล้วแก่เราในธรรมที่เราไม่เคยฟังมาแต่ก่อนว่าอริยสัจคือทุก เป็นอย่างนี้อย่างนี้ดังนี้ว่าก้ออริยสัจคือทุกนั้นแหลเป็นสิ่งที่ควรกำหนดรู้ดังนี้ว่าก้ออริยสัจคือทุกนั้นแหลเรากาหนดรู้ได้แล้วดังนี้ดูก่อนภิกษุทั้งหลายจากสุเกิดขึ้นแล้วแกเราญาณเกิดขึ้นแล้วแกเรา ปัญญาเกิดขึ้นแล้วแก่เราวิชาเกิดขึ้นแล้วแก่เราแสงสว่างเกิดขึ้นแล้วแก่เราในธรรมที่เราไม่เคยฟังมาแต่ก่อนว่าอริยสัจคือเหตุให้เกิดทุกข์เป็นอย่างนี้อย่างนี้ดังนี้ว่าก็อริยสัจคือเหตุให้เกิดทุกข์นั่นแหลเป็นสิ่งที่เรา สวนละเสียดังนี้ว่าก่ออริยสัจคือเหตุให้เกิดทุกข์นั้นแหลเราละได้แล้วดังนี้ท่านก็พูดถึงกิจในอริยสัจ ท, ที่แรกอธิบายให้ฟังว่าอริยสัจสี่คืออะไรนะครับแล้วก็มาพูดถึงว่ากิจในอริยสัจคือจะต้องทายังไงกับอริยสัจ ทุกควรจะทํายังไงทุกก็ควรกําหนดรู้คือให้รู้ว่าอะไรเป็นทุกอะไรเป็นทุกนะความเกิดเป็นทุกความแก่เป็นทุกนะให้รู้อย่างเนี้ยอย่างเนี้ยเห็นการเกิดเกิดดับดับก็จะรู้ว่าโอ้สิ่งนี้เป็นทุกจริงๆนะเกิดเกิดดับดับเนี่ยเนี่ยก็จะเริ่มเห็นทะุกนะอะไรเป็นเหตุเหตุก็คือตัณหานะตัณหาอ๋อเริ่มรู้จักภาวนาไปพอเกิดผัดสะผัดสะเกิดความพอใจแล้วเดี๋ยวก็เกิดตัณหาละนะรีเบก้าก็จะเห็นภาพชัดนะครับ ปับป๊บปัอ่าตันหาเลยปับป๊บปบัตันหาปับป๊บปตันหาปับป๊บปตันหาตลอดเลยนะโอ้อย่างนี้นี่เองไม่น่าอย่างนี้แปลว่ารีเบคก้าเขาสร้างกรรมไม่หยุดน่าสงสารรีเบคก้าจริงๆริงนีสงสารรีเบคก้าจริงๆนะสงส ร, ริกร่นะกอนที่เราจะผ่านตรงนี้ไปอย่างประเด็นที่ข้อสงสัยของผู้คนแม้แต่ผมเองนะก็คือว่าทําไมพระเจ้าถึงตรัสรู้มัก เอ้ยทำไมท่าถึงเอามักมาอยู่ก่อนอริยสัจเนี่ยตอนนั้นผมก็ไม่ได้ศึกษาเรื่องของอของธรรมจักรอะไรหรอกผมก็ปฏิบัติไปเหมือนกับพวกท่านนี่แหละแต่ความสงสัยผมสงสัยมาตลอดเขาเขมาศึกษาอริยสัจสี 4, เวลาไปฟังในคอร์สก็พูดถึงอริยสัจสี่มีคนนั้นคนนี้มาอธิบายอริยสัจสี่ก็ฟังทุกสมุทัยนิโรธมักก็เข้าใจเพราะเข้าใจไม่ตั้งแต่เด็กละก็ เ, เคยท่องเ่ยทุกคือความไม่สบายกายไม่สบายใจ ทุกข์อท่องมาตอนเด็กเนะี่ยสมุทยคือเหตุให้เกิดทุกข์นิโรธคือความดับทุกข์มักคือขนท้ายกลางพ้นทุกข์เวยก็ท่องมาเอแล้วทำไมทุกข์สมุทัถทาไมเหตุไม่มาก่อนวยคนเรามจะทุกข์ได้ก็ต้องมีเหตุก่อน พอมาปฏิบัติอพอรู้ทางก็ปฏิบัติตามมากักผลก็จะเป็นนิโรธถ้าตามหลักของเหตุและผลควรจะเป็นสมุทัยแล้วก็ทุกข์สิแล้วก็มักนิโรธก็ไปถามครูบาอาจารย์องนั้นองคนี้นะเวลาไปคอสตั้งถามผู้รู้ทั้งหลายท่านก็ตอบมาแหละนะแต่พูนจริงว่ามันไม่เคยที่จะหายสงสัยอะก็ไม่หายสงสัย ว่าทำไมถึงเรียงแบบนี้ไม่เข้าใจแต่ก็รู้อย่างหนึ่งคือคงต้องมีเหตุผลอะไรสักอย่างหนึ่งมันเป็นไปไม่ได้หรอกที่พระเจ้าระดับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วเนี่ยจะเรียงผิดผมไม่ได้คิดอย่างนั้นหรอกแต่ผมแค่ไม่เข้าใจว่าทำไมว่าทำไมแล้วพอมาปฏิบัติมากขึ้นยิ่งสงสัยหนักขึ้นไปก็คือว่ามักอยู่ตัวสุดท้ายอะ แล้วเอามัคมาปฏิบัติได้ยังไงอะ่ะเพื่อให้รู้อริยสัจเนี่ยคือถ้าเป็นนักคณิศาสตร์เอาทฤษฎีพวกนี้แทนค่าเนี่ยมันแทนไม่ได้อะเพราะว่าผลมันไปเป็นเหตุได้ยังไงอะ่ะคือต้องเดินตามมาัคคุณถึงจะรู้อริยสัจเมื่อรู้อริยสัจคุณก็จะรู้มัคเฮ้ยแค่คิดก็งงแล้วอะ่ะวันแรกผมงงมาก ต้องจเจริญมัศถึงจะรู้แจ้งอริยสัจแล้วพอรู้แจ้งอริยสัจคุณถึงจะรู้มัศฮะทำไมมันวนอย่างนี้มันเหมือนกับมันเหมือนแทนค่าไม่ได้สมการนี้มันแทนค่าไม่ได้มันเป็นเออร์เลอร์เพราะตัวที่จะทำกลายเป็นตัวที่เป็นผลผมไม่เข้าใจไปเข้าใจวันหนึ่งท่านนั้นเอง ตอนที่กินอัญมณนแต่ผมจะให้ท่านฟังครูบาอาจารย์ที่ท่านสนทนากันกัน